พุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังเอต ม, มังกลมุตตัง ม, มังท่านเห็นด้วยเลยนะว่ายาศาศาัสักุลบตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นผู้ที่มีจิตไม่วันไหวในโลกธรรมทั้งแปดไม่มีโลกธรรมเหลา่าใดที่จะทําให้จิตของท่านวันไหวอีกต่อไปไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ท่านเศร้าโศกอีกต่อไปจิตของท่านปราศจากทุลีจิตเป็นจิตที่เกษมเป็นจิตที่ปลอดภยัยเพราะเป็นจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะเป็นอรหัตตผลจิต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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับโดยดุสเนียภาพครั้นเศรษฐีผู้เครือข่ บ, บดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วกลับไปกาละเมื่อเครือข่ บ, บดีเศรษฐีเนี่ยนะกลับไปแล้วไม่นานยศกุลระบบก็ได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่า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 ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยชาติสุดท้ายก็จะได้บวชเอหิปิขุปอุปสมปทาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวรเป็นอา น, นิสงส์ของการถวายบริขาร8ดเนี่ยนะตอนนั้นนะมีผ้าอรหันเกิดขึ้นในโลกเจ็ดองเจ็องค์ก็คือพระพุทธเจ้าพระปัญจวัคคีทั้งห้าแล้วก็พระยะศกุลบุตรรวมเป็นเจ็ดองด้วยกัน ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตราวาสกถือบาดจีวรมีท่านพระยะเป็นปัจฉาสมณะเสด็จพระพุทธดําเนินไปสู่นิเวศของเศรษฐีผู้เครืหบดีครั้นถึงแล้วก็ประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่เขาปูละถวายลําดับนั้นมารดาและพระยาเก่าของท่านพระยาศาก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสอนุปุพพิฆาแกนางทั้งสองแสดงประกาศทานนักขาศีลกาาัาสักขกข า, าโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของกลามทั้งหลายแล้วก็แสดงอ น, นิสงฆ์แห่งเนกขมมะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่านางทั้งสองมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวร์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสก็ประกาศอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือ ประกาศทุกประกาศทุกขสมุทัยประกาศทุกคเนโรประกาศทุกขนิโ ร, รทค ข, ขามินีปฏิปทาดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากทุลีคือโสดาปฏิมัคเนี่ยนะปราศจากมนทินคือคือโสดาปฏิมักก็เกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลร้ว่าแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นอริยสัจเกิดขึ้นแกนางผู้นั่งอยู่ณที่นั้นแล ดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นก็และแห่งก็กล่าวว่าแม่ของพยาสาก็คือนางสุชาดานั่นเองนะนะแม่ของพญาสาก็คือนางสุชาดาที่ไปแต่งงานกับเศรษฐีเมืองพารณสีก็ถือว่าเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะ มารดาและพระยาเก่าของท่านพระยาศาได้เห็นธรรมแล้วคือเห็นอริยสัจแล้วได้เห็นได้บรรลุอริยสัจแล้วได้รู้แจ้งอริยสัจแล้วมีอริยสัจอันตนอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากค่อยคําแสดงความสงสัยเป็นผู้ถึงความเป็นผวกแกล้งกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศ า, ศาสดาได้กลาบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตธิของพระองค์ภัยเราะยิ่งนัก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 ผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้ตลอดไปเนี่ยนะนะเป็นประเภทอัตตสันนิยาตนะเรียก ว, ว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระตัตนะไตรสละชีวิตเพื่อพระตัตนะไตรเนี่ยนะนะก็บอกโอ้ยมันจะเกินไปมั้งบอกแค่เป็นทหารนี่ก็สละชีพเพื่อชาติแล้วนะเขาพูดคําเหล่านี้ก็ยังก็ยังพูดและใช่ลุงเรืองเป็นทหารเป็นอะไรก็เขายังพูดกันอย่างนี้จะกล่าวไปยายถึงเรียกว่าผู้ที่เกิดด้วยอริยสัจธรรมเนี่ยนะนะ เกิดด้วยการบรรลุมรรคผลเรียกว่าถือว่าอย่างสละชีพเพื่อชาติเนี่ยนะเพื่อประเทศชาติเขาก็ยังทํากันใช่ไหมอันนั้นแล้วถามว่าแล้วชาติอริยะล่ะผู้ที่เข้าถึงชาติอริยะหรืออริยชาติเนี่ยนะยะโตหังภคิทนีอริยะอันทิเทพระนะพระองคุลิมาเนียะโตหังภะเทนิอริยยชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิจปาณังชีวิตาโวโรเปตานเลยนะก็อย่างได้อริยะชาติก็คือเกิดโดยอริยะชาติ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 ครั้งนั้นมารดาบิดาและภริยาเก่าของท่านพระยศได้อังฆาคือถวายของประเคนของแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระยศด้วยขาชนียะโภชนียหาหันอันประณีดด้วยมือของตนของตนจนได้ห้ามพัดเนี่ยนะจนพระองค์บอกว่าพอละเนี่ยนะก็ไอที่จะอ้อนวอนให้กลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องก็ไม่มีวพราทุกคนเห็นอริยสัจกันหมดทุกคนจะอนุโมทนายินดีแสดงความยินดีด้วยกันทั้งหมดสิ้นเชิงเนี่ยเขาจะไม่มีคําว่า อะไรนะแบบลักษณะแบบเอะโวยวายบวชได้ยังไงเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วข้ัพย์เหล่านี้ใครจะดูแลก็ไม่มีแล้วเพราะว่าผู้ที่เห็นอริยสัจด้วยกันก็ไม่ได้ถือว่าโภกข้ัพย์ทั้งหลายมันจะดีเกินไปเนี่ยนะเพราะว่าที่สุดแห่งโภกข้ศัพย์ถ้าบุคคลที่ดูแลไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็นํามาซึ่งโสกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปาญาแต่ถ้าหากว่าขืนบอกว่าเออพยศศึกมาเธอศึกมาเป็นคารวาะพราะอะไรบอกว่าโภกข้ศัพย์มากเหลือกเกินดีท่านก็จะพูดแบบพรัฐบาลนั่นแหละ ว่าพูดยังไงบอกว่าจะจะเล่าให้ฟังว่า ง, งั้นเพาว่าเขาก็มีครั้งหนึ่งเขานิมนต์พระรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นท่านบรรุเป็นพระราหารแล้วกลับไปบ้านไปเยี่ยมบ้านจะไปสงเคราะห์แม่พ่อแม่ก็เลยคิดว่าเออทำไงให้ลูกสึก ด, ดีเอางี้ ก, ก, ก็แล้วกันก็เอาคนเอามารดกมากองกองกองไว้เอาเงินกองเงินกองหนึ่งเอาทองกองทองแท้เงินแท้เนี่ยถามว่าสูงขนาดไหนสูงขนาดว่ามองไม่เห็นกัน ก, ก็แล้วกันะแล้วเอาเสือลําแพนมาปิดไว้ก็มานั่งปูอาสนะเอาไว้แล้วก็นิมนต์ท่านมา วันท่านมานั่งบอกว่านี่กองเงินกองทองของท่านว่ากันซึ่งมาเธอเนี่ยมันทําบุญก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเธอว่ากั้นเนี่ยสะสมมากี่ชั่วบรรพบุรุษมาแล้วเนี่ยนะก็เล่าความหลังตวัดเก่าแก่ของทรัพย์ที่หามาได้ให้ฟังทั้งหมดเขาบอกว่าเอาฟังไม่จะแนะนําให้ว่ากั้นเออว่ามาเถอะว่ามาเถอะ เ, เอางี้นะบรรทุกเกวียนเลยเอาเอาเอาเกวียนมาใสา่เลยขนใส่เกวียนให้หมดให้หมดแล้วก็น่นน่ะขับเกวียนไปโยนลงในแม่น้ําให้หมดเลย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 ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงชี้แจงให้มารดาบิดาและพริยาเก่าของท่านพรายยาะยสสะเห็นแจ้งสมาทานอาหารรา่าเริงด้วยทำมีกระถาพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังอีกเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะเสด็จกลับไปสหายครือัสสี่คนของท่านยสะก็คือใครวิมลสุภาหุปุณชิและก็ความปฏิสี่องค์เนี่ยพิเศษมากเป็นมหาสาวกด้วยเป็นมหาสาวกผู้ใหญ่มากเลยนะที่บวชเข้ามาแล้ว วิมละสุภาหุปุณณชีและก็ความปฏิเนี่ยสี่ท่านเป็นบุตรเศรษฐีสืบสืบมาในพระนครพารณสีเป็นไม่ใช่เป็นเศรษฐีธรรมดานะเป็นเศรษฐีเก่าแก่ที่ร่ํารวยมากเลยได้ทราบว่ายศกุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วได้ข่าวว่าเพื่อนบวชไปแล้วเหมือนกันคนดังบวชนี่มันก็ดังมากเลยแป๊บเดียวมก็กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วทราบดังนั้นก็คิดว่าธรรมวิไน และบรรพชาทิยะกุลบุรปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบชเป็นบนรรพชิตนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนคือคือต้องเป็นธรรมวินัยชนิดพิเศษแนะ่ปกติไม่น่าเป็นไปได้ที่จะบวดมางั้นนะไม่น่าเป็นไปได้แสดงว่าทิยศนี่พื้นฐานนั่นเป็นคนฉลาดมากฉลาดแค่ไหนฉลาดแค่นั่งฟังธรรมแล้วบรรลุเลยอ่ะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุปุธิกถาแก่พวกเขาคือทรงประกาศฐานกถาศีละกกถาสักขะกถาโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ของเนคขมมะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีใจผ่องใสก็ประกาศอริยสัจธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมัดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมณทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมว ล, ล้ว้แต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาณที่นั้นแลดดผ้าสะอาดปราศจากมณทินควรได้รับน้ําย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น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 ที่สุดแห่งวัตทุทุกโดยชอบเธอถ้าเป็นผ้าอหารก็บอกว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เิดแต่ถ้าเป็นพระเสขะอยู่ก็บอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุก์โดยชอบเธอพระวาจานั้นแหลก็เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประทานโอวาสสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมมีกถา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาสสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกรถาจิตของท่านเหล่านั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นสมัยนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก11อ็ดองเนี่ยนะสิองค์ก็คือ7จบวกสก็เท่ากับ11เนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้า1องค์ปัญจวัคคีย์อีก5องค์ย่าสะและสหาอีกหองค์ก็รวมเป็น11เนี่ยนะ สหายครหัตของทัญญาะสะเป็นชาวชนบทจํานวนอีก50คนเป็นบุตรสกุลสืบสืบกันมาแสดงว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเนนะเพื่อนร่วมรุ่นร่วมสถาบัานร่วมสถานศึกษาเรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ๆ อ, อยู่ในเมืองพารันสีเนี่ยอยู่5คนด้วยกันเศรษฐีใหญ่เลยนะเศรษฐีกลุ่มอื่นนี่ก็มีแต่ว่าลูกเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่5้าคนแล้วก็มีเศรษฐีตามละแวกชนบทเนี่ยนะตามอำเภอต่างๆ ต, ตามจังหวัดต่างๆอยู่ใกล้เคียงเนี่ยนะอีก50คน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 พวกเขาได้เห็นธทำแล้วบรรลุธรรมแล้วอย่างรู้ทำได้แล้วเนี่ยนะรู้ทำอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมะอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศ า, าสดาได้กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้า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 พระภิกษุรุ่นหลังๆมาเนี่ยจะบวชกี่ร้อยรูปก็ใต้องมากราบท่านเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่บวชรุ่นแรกๆเลยนะเป็นประธานสงเลยแหละจะอยู่ที่ไหนก็เป็นประธานของพระอรหันต์เลยแหละต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกถาก็คือประกาศอริยสัจโดยนิยต์ต่างๆ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 พระพุทธเจ้าองค์ที่1ปัญจวัคคีอีก5พระยสะกับสหายอีก55เนี่ยนะก็รวมกันทั้งหมดอนะันนั้นก็เท่ากับ61ในโลกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเรานี้พ้นแล้วจากบ่วงบ่วงก็คือฉันทราคะเนี่ยนะก็คือฉันทราคะนี่ถือว่าเหมือนบ่วงเรานี้พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์คำว่าบ่วงก็คืออะไรบ่วงก็คือถ้าบ่วงของมนุษย์บ่วงของทิพเป็นต้นก็ฉุดคล้องลงไปไหนฉุดไปอาบายเป็นต้นบ่วงเหล่านี้พ้นแล้วก็เรียกว่าตักบ่วงเสร็จแล้วบ่วงของมารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเที่ยวจารึกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลก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 เขาเหล่านั้นเพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรจักนี้ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นช่วงไหนช่วงออกพรรษาเนี่ยนะก็แสดงว่าจนออกพรรษานี้ก็มีภ า, ารหานเกิดขึ้น61รูปเนี่ยนะในพุทธวงหน้า52บอกว่า คือเมื่อมีพาดหันหกสิรูปอย่างนี้แล้วออกพรรษาปวารณาพราะองค์ก็ตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอเมื่อบำเพ็ญ ป, ประโยชน์ตนและบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นจงแยกกันเที่ยวธรรมจาริกแก่มนุษย์ทั้งหลายตลอดแผ่นดินนี้ก็แปล ว, ว่าเที่ยวรรมจจาลิกเรียกว่าจาริกโดยธรรมไม่ใช่ตันหาจาริกเนี่ยนะเขามีหลายประเภทในชะ่ไหมมีตันหาจาริกมานะจาริกอะไรเป็นต้นหลายอย่าง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 ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอเมื่อทาหน้าที่พระธรรมทูตก็คือผู้นำพระธรรมไปเนี่ยนะคำว่าธรรมทูตก็คือผู้นำพระธรรมไปนำธรรมไปนาอะไรก็นำวิธีการกำหนดรู้ทุกนำวิธีการละสมุ ท, ทยัยนำวิธีการทำนิโรธให้แจ้งนำวิธีบอกข้อปฏิบัติในการเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา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 เกวัตเจตนาวิรัติความชั่วทางกายและว่าจาเจริญณาพิชาเจริญอัพยาบาทแล้วก็เจริญสัมมาทิฏฐิกุศลกรรมบฏเหล่านี้เป็นการเปิดประตูสวรรค์ให้แก่เขาเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความสุดจริตทั้ง3คือกุศลกรรมบฏ10เรียกว่าสุดจริต3าเหล่านี้แล้วก็แนะนําสมถะวิปัสนาเพื่อประโยชน์แก่อริยมรรคเหมือนก็ช่วยเปิดประตูอริยมรรคเปิดประตูอริยผลช่วยให้เขาได้เจริญคุณธรรมเลยนะ ช่วยละกุศลกรรมบทเจริญกุศลกรรมบทเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อบรรลุมรรผลต่อไปเพราะฉะนั้นช่วยเขาหน่อยนะเพาะงั้นนะแนะนำเออกไปช่วยเขาหน่อยพวกเธอจงมีคุณมีความกรุณาเป็นต้นเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายเวลาไปอยู่ณนะที่ใดอย่าทิ้งพรหมวิหารอย่างนีน้ให้อยู่ด้วยพรหมมิหารอยู่ด้วยพรหมวิหารก็คืออยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยกรุณาเป็นต้นน น, นให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีทุกข์อยู่นะ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 เขาจะมีความรู้มีสุตตามายาญาณจินตามายาญาณแล้วก็มีภาวนามายาญาณแต่ทีนี้เพื่อความเลื่อมใสของเขายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอก็ต้องอยู่ด้วยการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติของเธอเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสา <c oughs> การแสดงธรรมแห่งเธอเป็นที่ตั้งแห่งความรู้เพราะนั้นความรู้เกิดจากการแสดงธรรมความเลื่อมใสเกิดจากการปฏิบัติฉนั้นขอให้เธอทั้งแสดงธรรมและการ ปฏิบัติดํารงอยู่ในการแสดงธรรมปฏิบัติเขาก็จะมีศรัทธาและปัญญาเจริญขึ้นศรัทธาและปัญญาตัวนี้แหละถือว่าเป็นเป็นกางเข้าถึงสารณคมเพราะว่าสาระคืออะไรสาระก็คือศรัทธาและปัญญานั่นแหละที่มีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสาระเพราะฉะนั้นก็เธอจงช่วยให้แสดงธรรมให้เขาเนี่ยถึงสาระถึงสาระมีการสมาทานศีลเป็นต้นนั่นเอง